โยมทุกตั้งใจฟังเพื่อให้จำได้แล้วนำไปปฏิบัติถ้าฟังไม่ดีจะจำไม่ได้ไปปฏิบัติก็เลยไม่ได้ผลวันนี้เป็นวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยสามสิบตรงกับวันอะไร คนพูดคนพูดกิจกานพูดพวกเราได้มีคนหลนายกันมาปฏิบัติธรรมคาว่าปฏิบัติธรรมนี่มันมันหลายคนพูด้าปฏิบัติธรรมธรรมธรรมนี่ผมเข้าใจไม่เหมือนกันสำหรับหลวงพ่อจะนำมาเราฟังในวันนี้ว่าตามอุดมการตัวเอง จะหาว่ามันไม่มีในตําราก็ว่าได้หรือมันมีในตําราก็ว่าได้คิดว่ามันมีในตํารานั้นคื อ, อยังไม่ได้เข้าใจคิดว่ามันมีในตํารานั้นเัราะเราคนพบ ท, ทําไมจึงไม่เข้าใจคือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติกําหนดรู้ในอิริยบททั้งสี่ยืนก็ให้มีสติเข้าไปรู้ นั่งก็ให้มีสติเข้าไปรู้นอนก็ให้มีสติเข้าไปรู้เดินก็ให้มีสติเข้าไปรู้อันนี้แปลว่ามีในตาราในคําผู้คําสอนแต่เราไม่เข้าใจคเาเหล่านี้หาว่ามันไม่มีตําราเป็นอย่างไงเมื่ออ่านมากเกินไปมันจะข้ามไปแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอท่านสอนให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ ในอิริยาบทย่อยผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดตัให้มีสติเข้าไปกํารู้แต่ท่านสอนนั้นมีความหมายให้รู้แล้วจะมีประโยชน์อะไรเราไม่เข้าใจเราก็เลยไม่ ไ, มได้ทำนั่นที่ตัวหลวงพ่อเองทาเมื่อกห น, นดสติอันนี้รู้ขึ้นมาก็เลยรู้จักตัวเองผลมันเกิดขึ้นให้เรารู้จักตัวเองแหตุของมันคือเรามีสติ รู้ก็ไม่รู้อื่นไก่รู้ตัวเรากำลังเคลื่อนกำลังไหวอยู่นี่แหละอันนี้แหละเป็นรูปกำลังเคลื่อนกำลังไหวเป็นรูปรูปน้ำรูปกำน้ำ ม, มันติดกันอยู่ที่นี่น่ว่ารูปทำน้ำทำรู้อย่างอื่นไม่ถูกต้องอันนี้เมื่อรู้อันนี้ก็เข้าใจเลยถ้พาพระเจ้าสอนของจริงแม้จะมีผู้รู้ก็เป็นอย่อยางนั้น ไม่มีผู้รู้ก็เป็นอยู่อย่างนีน้เพราะมันมีอยู่อย่างนั้นดังนั้นธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงมีมาขอดพุทธเจ้าคนเกิดมามันมีแล้วมันมีการเคลื่อนการไหวไม่เป็นอย่างไงทุกคนต้องรู้ถ้าหากเป็นคนจริงเสียอย่างเดียวตอนนั้นเองตัวาการพูดก็ต้องพูดจริงทำก็ต้องทำจริงคิด ก, ก็ต้องคิดจริง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 ต้องนั่งสร้างจังหวะให้มากจะไปเดินมากที่หลวงพ่อเคยทดลองมาถ้าคนที่เป็นคนเคยแล้วเนี่ยเดินจนกลมให้มาก ท, มทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเดินจมกลมมันคิดมากเนื้อการนั่งสร้างจังหวะนั้นมันลูกลุมเคลื่อนไหวมากไม่เป็นอย่างเพราะว่าคนใหม่ต้องจำต้องได้ทำาศซ้ษามีวิธีทำํำแต่วิธีที่หลวงพ่อพูดนี่ ไม่ต้องนั่งหลับตาต้องลื่นตาแล้วก็หูฟังดูให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจเป็นยางไงรู้แล้วก็ไม่หลงไม่ลเป็นอารมณ์จริงๆเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสนาคําว่าวิปัสสนามันเป็นซื่อเหมือ น, นันนแต่วิปัสนาเป็ว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้ล้ลต่างเก่าล่วงภาวะเดิมทํานว่าอย่รู้แจ้งก็คือรู้ตัวเรารู้จริงก็คือรู้ตัวเรา รู้แล้วก็ต่างเก่าจริงๆตางเก่าเพราะแต่ก้อนไม่เคยรู้เทก้อนไม่เคยรู้ตัวร่ต่างก่อนล่วงภาวะเดิมล่วงจากภาวะที่ยังไม่รู้นั่นแหละรู้แล้วนีงเนี่ยล่วงจากภาวะเทมืดมาสู่ภาวะที่แจ้งเป็นอยังไงรู้จริงๆเรื่องนี้รับรองได้เพราะมันของจริงหนึ่งไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์องค์หนึ่งไม่เฉพาะตั้งแต่ญาติโยม ให้ซื้อว่าคนเนี่ยทุกคนต้องรู้จะเป็นคนไทยก็ต้องรู้อันนี้เป็นคนจีนก็ต้องรู้อันนี้ถือาศาสนาไหนก็ตามลูกผ้าสีอะไรก็ตาม <_ C Counsel> จากให้ทานก็รู้อันนี้ไม่ให้ทานก็ต้องรู้อันนี้จะรักษาศีลก็รู้อันนี้ไม่รักษาศีลก็รู้อันนี้นี่แหละของจิ่งแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกผันเนี่ยรู้อันนี้ เรามาศึกษาที่นี่แปลว่าเรามาทำให้พุทธศาสนาเจริญเรามาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเอาไว้ถ้าเราจเจริญแล้วนะคนอื่นก็ต้องจเจริญมาทำให้พุทธศาสนาเจริญทำให้พุทธศาสนามั่นคงเราก็ต้องมั่นงคงคาว่าจเจริญก็เรารูจ้จริงแล้วไม่วันไหวต่อคำพูดใหญ่ๆแล้วมั่นคงแล้วบนี้ ใครจะพูดว่ายังไงก่นเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เรามั่นคงต่อการกระทําของเราใครว่าผิดก็เป็นเรื่องของคนนั้นใครว่าผูกก็เป็นเรื่องของคนนั้นเราเสื่อมั่นในการกระทำของเราเสื่อมั่นวิธีที่ทำของเราเรี่ามั่นคงเราทําให้มั่นคงแล้วคนอื่นทํา <estava> ก็มั่นคงเหมือนกันมันเป็อย่างนั้นอันนี้เราไม่ทํามีแต่พู้ไป่สอนกัน เลยไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ไปสอนกันไปก็เลยไม่รู้ก็หาว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าน่ยไม่จริงไม่จั ง, จงเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรามาที่นี่มาอบรมครั้งนี้ให้ตั้งใจเอาคุณภาพจันจริงๆเราไม่ต้องพูดต้องคุยอะไรกันมากตั้งใจสร้างจังหวะรำสัตวาที่แรกต้องทำสัตวาคนที่อย่งไรเคย ที่คนเคยทำมาแล้วหลายครั้งหลายหนเราทำจังหวะให้มันไหลขึ้นแล้วระเดินจนกรมันไหลขึ้นคันว่าไหวก็ไม่ไม่ถึงกับวิ่งกับแลนนะไปพอดีพอ ด, พอดีทำเพื่อเป็นประโยชน์อะไรข้ามันสติรู้ทนรู้ควมรู้ตัวทํากับผมไม่รู้โดยมากเราไม่ค่อยรู้ตัวเรามันคิดเราไม่รู้มันเคลื่อนมันไหวเราไม่รู้มันจรง มันไปตามสอรซาตยาของสัตรบัตรนี้เราจะทำให้มันมีสติหรือให้มีความรู้สึกอันสติกับความรู้สึกมันเป็นคำเดียวรับความรู้สึกตัวเราเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็ให้เรารู้คนว่าสติกับแปลว่าความนลลึกได้เนี่ยเรียกว่าสติภาษาธรรมะภาษาบ้านเราเรีกว่าให้รู้สึกตัวรู้สึกตั ว, ร, ตวรู้สึกใจ ตัวเราก็ให้รู้ใจคิดก็ให้รู้มันจเมื่อทำแล้วจะมีญาณปัญญาเกิดขึ้นจริงๆญาณปัญญาได้ไม่ใช่ว่าคิดเอาหน้า น, นี้มันจะเกิดการเห็นแจ้งรู้จริงไม่ใช่ตายเห็นใจมันเห็นใจมันรู้ใจมันเข้าใจใจมันสัมผัสใจมันแนบแน่นกับจิ่งเหล่านั้นทุกข์ก็จะลดน้อยรับเตือนคนเรามันทุกข์แต่เราไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจว่าเราเป็นทุกการเคลื่อนการไหนในอริยาบถมันเป็นตัวทุกนี่ว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาเป็นคำเดียวกันทุกขัง ก, ก็แปลว่ามันติดอยู่กับรูปนี้เองรูปนี้มันเคลื่อนมันไหนอนิจจังมันไม่เที่ย ง, น, งนั่งนิ่งอยู่ไม่ได้มันเป็นไปตามหน้าที่ของมันอนัตตาบังคับบรรดาไม่ได้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอันนี้ก็ให้รู้ รู้และพัฒนาไม่ได้ตัวน้แต่ตัวทุกครั้งอนิจจังอนัตตาภายในคือตัวจิตตัวใจตัวนึกตัวคิดมันพัฒนาได้ตัวนั้นเพราะตัวนี้มันไม่รู้ว่าทุกยังตาเห็นเนี่ยตามันไม่รู้ว่าดีว่างามใจมันรู้ว่าดีว่างามหูฟังเสียงก็เช่นเดียวกันหูมันไม่รู้ใจมันรู้ดังเราทุกคิดเม้นหอมดังมันไม่รู้ใจมันรู้ ร่างกายเรานี่นอนกระทบจิงที่นุ่มที่นวลที่แข็งร่างกายมันไม่รู้รูปที่มันไม่รู้ใจมันรู้ไม่เป็นยังงกินข้าวกินอาหารเผ็ดเค็มหวานเี้ย อ, อะไรก็ต า, ามมันไม่รู้ปากที่ไหนไม่รู้ใจมันรู้ชิว่าใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดมาปฏิบัติธรรมะนิพิรปฏิบัติรัดนั ด, ดโดยไม่ต้องอ้างอิงเอากับตำหนักตำราอะไรมากเกินไป เพราะว่ า, าพระพุชาท่านสอนของจริงแล้วลองทำวิธีนี้วิธีอื่นๆนั่นก็นดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันนานเข้าใจวิธีนี้หลวงพ่อเคยสอนน้อยเด็กน้อยเนี่นะอายุในเกณฑ์เก้าปีไปถึงสิบสามปีไม่เกินสามสิบวันสักคนลูกทุกคนมันเป็นอย่างไงจะเป็นผู้หญิงก็รู้เป็นผู้ชายก็รู้ถ้าเป็นผู้แก่ มีอายุมากในเกมสามเดือนรู้บางคนบางคนก็นานเป็นปีก็มีนะบางคนนั้นวพวกเรามาที่นี่เป็นนักศึกษาวังจันได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสองพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอัญญาโกนทัน ญ, ญาักฟังทีเดียวเข้าใจเลยเอาไปแก้ปัญหาตัวเองได้ทันทีเป็นอย่างนั้นแตพวก คนนั้นจำเป็นต้องเจริญสติฟังหลายครั้งหลายหนติอย่างนั้นวิธีที่ทำนี่เราคอยรับประกันรับประกันคำพูดตัวเองรับประกันวิธีที่เราเอามาสอนรับรองได้็นอย่างนั้นทำไมจึงรับรองได้เอาลองดูถ้าหาคนใดมีเงินเดือนในอาจารย์เงิ น, นาาเดือนพั น, น 1, บาทเนี่ยสมมติเอาพันบาทเป็นต้น ทำถึสามเดือนถ้าหากยังไม่รู้หลวงพ่อจะพยายามหาเงินให้สามพับาทสามเดือนทำจริงนะเป็นคนจริงนะอันนี้เป็นคำพูดของหลวงพ่อเองทำไมพูด อ, อย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าเพิ่งกัดตัดเอาไว้ว่าตัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแรงเหว่ง น, นั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรัสร้นี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราแตถ้าข้นี้คำนี่เป็นคำพระพุทธเจ้ารับรองให้เราทําตามพระพุทธเจ้าอันนี้เราไม่ทํามีแต่พูดมีแต่พูดมันก็เลยไม่รู้คําพูดคําแสดงมีมากแล้วแต่การกระทํายังมีน้อยนีว่ามีแต่ปริมาณคุณภาพมีน้อยอันนี้วิธีที่ทําเนี่ยจะให้มันมี คุณภาพค่าของคนค่าของคนในชีวิตของคนนี่น่ะซื้อไม่ได้ขายไม่ได้จึงมีค่ามากที่สุดแล้วคนเราเกิดมาไม่ต้องการคนทุ ก, ทกคนไม่ต้องการคนทุกแต่ทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้นั่นเองเราไม่รู้จึงทุกหาว่าคนนั้นพูดอย่างนั้นให้เราหาว่าคนนี้พูดอย่างนี้ให้เราเนี่ยทิศไปอย่ัง แต่ควมจริงคําพูดของคนอื่นเราจะไปยึดไปถือเราต้องดูใจเรานี่ใจเรานี่มันไม่ทุกและมันก็ไม่มีเรื่องอะไรชีวิตจะว่าได้ใจจะว่าได้มันมันหลายคําพูดชีวิตเป็นอยู่เพราะยังมีลมหายใจมีลมหายใจก็ต้องมีชีวิตบัดนี้คนเรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่แต่มันทุก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 สมมติศาสนาสมมติพุทธศาสนาสมมติสีสมมติเทวดาสมมติเลืกองงามยามดีสมมติทุกอย่างะเสื้อผ้าอะไรสมมติทางนั้นแต่เอาให้ให้มันรู้ตัวบทกฎหมายก็ต้องให้มันรู้สมมติในหนกคนที่ว่าสมมติพูดให้การฟังให้รู้เรื่องให้รู้สมมติจริงๆรู้ให้ครบให้จบให้ท้วนรู้สมมติดีแล้วก็รู้จากศาสนา รู้จักพุทธศาสนาศาสนากับพุทธศาสนานี่ไม่ใช่อันเดียวกันนะคนละอันกันที่ดอกพอรู้มาศาสนาแปลว่าคําสั้งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นํามาสอนเราสอนให้เราเลิกจากการทําทั่วพูดชั่วคิดทั่วอันนั้นเป็นเพียงศาสนาเรียวเป็นสังคมถ้าคนเลิกละจากการทําชั่วพูดชั่วคิดทั่วสังคมเราก็สบาย ยังไม่เป็นพุท ธ, ธาศาสนาพุท ธ, ธาศาสนาคือรู้เองเห็นเองเข้าใจเองพุทธะยังแต่ผู้รู้ตัวรู้ก็คือตัวสติก็ว่าได้ตัวปัญญาก็ว่าได้ตัววิญญาณก็ว่าได้จะว่ายัางไงก็ว่าได้คือรู้เองเห็นเองเข้าใจเองรู้แล้วไม่เก้อเขินไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อรู้อันนี้รรนรเราคกอรู้บาบ้บุญหลวงพรู้จริง่บาบก็คือเราไม่รู้นั่นเองคือเราอยู่ที่มืดเฉะ บาปก็คืองูคือไม่รู้บุญก็คือเรารู้เราสว่างทางจิตทางใจเราไม่ใช่สว่างคืออย่างเราใจใไปคืยใจมันสว่างใจมันหลุดค้นแต่จับข่วมไม่รู้แต่ว่าใจหลุดพ้นไปกันว่าเมื่อหลุดพ้นไปพักนึงแล้วก็รู้จักว่าจิตใจเราหลุดพ้นไปแล้วพักนึงแล้วแล้วเมื่อรู้อันนี้แล้วบัด น, นี้มันจะเป็นผมรู้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาให้เรา เราจะเกิดตีพี่ให้เท่งทันทีอันนั้นตัวคมรู้อันนั้นมันมันเป็นอุปสรรคที่หลวงข่อพูดให้ฟังเท่งเลยพอดีมาให้มัดควรอารมณ์รุนาแเหล่านี่อยากให้มันหลงมันลืมจะเป็นอย่างนั้นรู้อันนี้เราประจิตใจก่อล่าเลยเบิดบานแตกหลวงพอเป็นอย่างนั้นหลพอรู้แลยหลวงพ่อไม่เสื่อเขินใครจะพูดว่าผิดก็เป็นเรื่องคําพูดของคน ใครจะพูดว่าทูกข์ก็เป็นเรื่องของคนหลวงพ่อตัดสินใจว่าถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสอนอย่างนี้หลวงพ่อ เ, เข้าใจอย่างนั้นที่หลวงพ่อนมาให้ฟังอันนี้เป็นรู้เบื้องต้นคนมีปัญญาจำได้ ท, ทันทีไม่ต้องอาศัยญาตปัญญาอันนี้วันนี้เรามารู้อันนี้แล้วก็มันมีความคิดขึ้นมาเราจะไปอยู่กับความคิดให้เรามายุ่กับคนเคลื่อนไหว เคื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็ให้รู้พลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมาปตนมีจังหวะที่ดีแท้ให้เรียนจังหวะข้องตัวจังหวะลุกจังหวะนั่งจังหวะนอนจังหวะกราบจังหวะไห ว, ไวเมื่อคนใดเรียนค้องตัวดีแล้วการปฏิบัติก็ได้ผลดีคนใดยังจังหวะไม่ค้องตัวก็ซาบ้าง เพราะว่ามันยังสงสัยเป็นอย่างนั้นงต่ว่าให้มีจังหวะรรมจังหวะลุกก็มีจังหวะน่งก็มีที่หลวงพ่อสุดขัดมาจังหวะกราบจังหวะไหว้ตึองอย่างที่เราพูดน้โมตัตวาเนีโมตัสว์พวัควาโตอลหะโตสัมมาสัมพุทธสัตวมันเป็นภาษาบาลีอันนั้นมันไม่ใช่ขังไม่สับินอะไรกัน นโมตัตะพระคะว่โตเป็ว่าขอนกน้อมนี่ยนกทำยังไงน้อมทำ ย, ยังไงเราไม่รู้อรหัตโตแปลีกกยวภูไกจากสีเลสไกาจากฆ่าสึกไกจากอันตรายฆ่าสึกก็คือโทสะโมหะโลภะผมไม่รู้นั่นเองไกาจากอันนี้สัมมาสัมพุทธสัพเป็นเจ้าตัดสรุปเองโดยชอบรู้เห็นเข้าใจเป็นอย่างนีน้เมื่อรู้อันนี้เราจะรู้ไปอย่างนี้ที่หลวงอนำมาร้อยก่อน ให้ดูความคิดมันมันคิดปุ๊บให้รู้ทิ้งทันทียับเข้าไปในความคิดอันนั้นเรามาอยู่กับความเคลื่อนไหวอันนี้รู้มากเข้ามากเข้าความไม่รู้ก็จะน้อยลงความรู้จะมากขึ้นทีแรกเรารู้จากเรื่องเดียวมันคิดจากติดเรื่องเนี่ยวันนี้เรารู้สองเรื่องมันก็หลุดลงมาเรารู้จากห้าเรื่องมันก็หลุดลงมาผลที่สุดมันคิดติดเรื่องเรก็รู้ติดเรื่อง จิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงจากควอมไม่รู้อันนั้นเรียกว่าจิตใจหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นไปจากที่ไหนมันไม่ใช่ว่าหลุดพ้นไปจากตัวเราจะรู้เองจิตใจหลุดพ้นไปจากโทสะจิตใจหลุดพ้นไปจากโมหะจิตใจหลุดพ้นไปจากโลภเพราะโทสะโมหะโลภเป็นกิเลสอย่างใหญ่เรารักษาศิ่มา ตั้งหลายปีแล้วศินเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยากจะรักษาแค่ขัข้ขนาันไหนก็ยังไม่เป็นสิอันนี้อันนี้รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้เพราะสินอันนี้มันสำคัญศินจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยากเราทําเรารู้อันนี้แล้วโทสะโมหโลภจางคายไป แ, แล้วก็บ น, นั่นแหละสินปากปกขึ้นมาแล้วเราจะเป็นปกติแล้วอันนี้แหะเป็นเบื้องต้นแต่ว่าได้กรแสพระนิทาน ได้ต้นทางอันนี้เราจะรู้จริงๆไม่ต้องไปถามใครที่ไหนเลยอันนี้รู้จริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นที่หลวงพ่อรู้มารู้ตอนเย็นหลวงพ่อรู้รู้อันนี้แล้วก็ทำไปเดี๋ยวกเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจขึ้นมาอีกพักหนึ่งเดี๋ยจิตใจเปลี่ยนไปเราจะรู้ว่าอริยามารรยาผลขึ้นมาทันทีดังนั้นว่าศินจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเล็อย่างงา สมาธิเป็นเครื่องกำจัดสิริยางๆปัญญาเป็นเครื่องกําจัดทสิ่งละเอียดให้เราทําจริงๆตัวระยะเวลาวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสิบระยะห้าหกวันเนี่ยทําจริงๆต้องรู้จริงๆแต่ขอให้เป็นคนจริงเท่า น, นั้นเองอย่าเป็นคนหลอกแหละถ้าเป็นคนหลอกแหลกไม่เข้าใจการปฏิบัติอันนี้คือไม่ต้องอาศัยการพู ด, ก า, พดการคุยกันมาก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 ที่หลวงพ่อพูดนี่คือไม่ต้องฟังอะไรมากต้องทาความรู้สึกตัวให้มากเมื่อความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นควา ม, ม่รู้มันจะหมดไปจริงเราจะปฏิบัติให้มันถึงที่สุดของทุกได้จริงๆริรับรองว่าคนทุกคนถึงได้ถึงที่สุดทุกได้จริงจิงแต่ในขณะนี้เราก็ไม่รู้หลวงพ่อเองก็ไม่รู้ทีแรกเมื่อหลวงพ่อเข้าใจแล้วททุกคน ก็มีจิตมีใจเหมือนกันคนไทยก็มีจิตมีใจคนจีนก็มีจิตมีใจคนฝรั่งเตสคนอังกฤษให้ว่าคนในทุกชาติทุกภาษามีจิตมีใจเหมือนกันโดียวธรรมะแท้คือสิ่งเดียวกันเนั้นเองรู้อันเดียวกันนี้แก้ปัญหาอันเดียวกันนี้จะ ว, มวูมคุกนันไม่ดว่ลดน้อยไปเมื่อเราไม่มีทุกเราเราอยู่ที่ไหนอสสบายกัเพรานั้ น, นเอง ตัวคนมันต้องทําการทํางานตามหน้าที่ตอนเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นวิปัสสโนที่หลวงพจะพูดให้ฟังเนี่ยเมื่อรู้รูปนามแล้วมันจะเกิดปดัญญามันจะไปโพมใจกับขมรู้อันนั้นคขมรู้อันนั้นเป็นขมรูของวิปัสสโนแต่ขมรูของญาณปัญญารู้จริงๆคือรู้จักรูปนามรูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโล ก, โลกแล้วก็ทุกขังอนิจจังอนัตตารู้จักสมมติ รู้จักศาสนารู้จักพุทธาศาสนารู้จักบาปรู้จักบุญจบพาคต้นอันนี้เมื่อจบพาคต้นอันนี้แนละ้วมันจะมีขมลู่แตกขึ้นมามันจะได้ภูมิใ จ, จกับขมรู้อัน น, นัอันนั้นเป็นอุปสรรคเป็นขมรู้ของวิปัสสนูอันนัน้แต่คนอื่นนั่นจะเป็นยังไงหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อพูดควมจริงเรื่องหลงพ่อไปเองอันนะี้พอดีหลวงพ่อรู้อย่างนั้นหลวงพ่อกเ็เลยไปติดขมรู่หลวงพ่อกัทั้งวันนี่หลวงพ่อพูดอย่างนี้น แต่ทำอิจลูลูแล้วมันเลยเลยเลยไปจิตกมรู้อันนั้ไปยินดีกับผมรู้อันนั้นและตำลาพนบอกว่าตีตีความอิ่นใจตีตีความยินดีไม่ถูกแล้วตําราว่าถูกแล้วจะตัวหลวงพ่อมันขับมันขัดตีตีความอิ่นใจมันไม่ใช่อิ่นใจมันใจเป็นตีตีมันเป็นอุปสรรคมันเลยไปขัดขวาง ใจิตใจของเราจะหลุดพ้นไปได้จริงๆความจริงที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยรับรองได้เนี่ยจหวาความเป็นพระมันอยู่ที่ตรงนี้เราจะรู้จักเป็นอารมณ์ขึ้นมาคือเห็นวัตถุเห็นปรมามัิเห็นอาการจรังว่าอาการแปลาการเปลี่ยนแปลงวัตถุ ก, ก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในคนปรมามัดกาลังเราสัมผัสอยู่มีอยู่เป็นอยู่เมื่อเราเห็นอันนี้แหละโทสะ โมหะโลภะจะจางคายไปทันทีเลยเป็นอย่างนั้นควรมเป็นพระอาริยบุคคลก็จะเป็นที่ตรงนี้นี่แหละจะปฏิบัติหน้าที่ของคนไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่ของเพศของถิ่นถ้าคนรู้จักหน้าที่ของคนก็ปฏิบัติให้ควรมเป็นอริยบุคคลเกิดขึ้นมาเป็นได้ทุกคนไม่ยกเว้นธรรมะอันนี้เป็นได้ทุกคนเป็นพระก็ปฏิบัติอันนี้ เป็นโยมก็ปฏิบัติอันนี้ถือศาสนาใดก็ปฏิบัติอันนี้หลวงพ่อเข้าใจกันน่ะนี่เ น, นี่ยควรมเป็นพระอริยบุคคลไม่ต้องไปเรียนเก่าตำลับตําราก็ได้กิเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ที่ว่าศีลเป็นเครื่องกําจัด <c oughs> กิเลสอย่างยาวศีลมีขึ้นมาแล้วบันนี้เพราะโทสะโมหะโลภะจางคายไปแล้วเนาะกิเลสตัณหาอุปทานก็จางคายไปแล้ววันนี้ <c oughs> เมื่อสิ่งเหล่านี้จางคายไปแล้วเราก็ต้องเป็นปกติ เมื่อจิตใจเป็นปกติก็แปลว่ามีศิลจิตวิสินขันสมาธิขันปัญญาขันรูปขันมีศินรูปอันนี้มีศิลเวทนาขันมีสิลสัญญาขันมีศินสังขารขันมีศิลวิญญาณขันมีศินสินลเหล่านั้นแหละเปกําจัดโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะโลภะจริงไม่เกิดขึ้นกับรูปอันนี้ไม่เกิดขึ้นกับเวทนาอันนี้ ไม่เกิดขึ้นกับสัญญาอันนี้ไม่เกิดขึ้นกับสังขารอันนี้ไม่เกิดขึ้นกับวิญญาอันนี้พอรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก่รู้จั ก, จกอัสนะได้ท่านสอนอย่างนั้นทั้งเรียกว่าเป็นปฐมม า, าสารทุ ต, ติยาสาราตัติยาสารจัตุทษานปัญจามาสารตำราท่านพูดอย่างนั้นปฐมมาสารปีอ ง, งหา้าเว่ามีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาเด่ะคันปฐมมาสารเดียหลวงพ่อพูดนี่แหละ ปทมสานแต่รู้เรื่องขันห้ารู้เรื่องรูปนี้เรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้อันรูปเนี่ยเป็นรูปขันนี่แต่ว่าตัวเวทนาขันตัวสัญญาขันตัวสังขารขันตัววิญญาณขันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเรียกว่าเป็นเทวดาหรือเป็นพระรยาบุคคลอันนั้นเต็มแต่รูปอันนี้เต็มไม่ได้อันหลวงพอเข้าใจอย่างนั้นจึงหว่าพวกเรา ท, ทําทีนี้ก็ต้องเอาคุณภาพมาจริง ย, ยากแต่เอาปริมาณ เที่ยวนี้จ้องเวลาถึงจะน้อยเพื่อมันมีค่ามากขึ้นนี่จึงว่าทำให้พุทธศาสนาเจริญทําให้พุทธศาสนามั่นคงเมื่อเราจเจริญแล้วคนอื่นสนใจกับเราหรือมักอยากศึกษากับเราก็มาเรียนกับเราแล้วก็ต้องแนะนําให้รู้จักก็จเจริญเพราะเรามั่นคงเนี่ยคนอื่นรู้จักก็ต้องมั่นคงเหมือนกันจึงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอเพราะของจริงเนี่ยมันจะไปกลัวใคร ไม่ต้องกลัวใครทั้งหมดด้วของจริงของจริงในแท้อันนี้ทุกคนต้องศึกษาอันนี้พระพุทธเจ้าควรู้อันนี้เราเคยสวดกันพระสงฆ์องค์เจ้าไปสวดปริตะมงคลในบ้านว่าพุทธานุพุทธังสามะศิลทิฏฐิลงส่วนอยู่จะคุมมาผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฐิเสมอกั น, นมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามีศีลอันเดียว ก, กันกับพระพุทธเจ้า มีทิฏฐิเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามีความเห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าไม่ผิดกันเลยแต่ว่าปัญญาแท้ไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนมีปัญญามากพวกเราเป็นสาวกพุท ธ, ธแปลว่าผู้ปฏิบัติตามรอยของพระพุทธเจ้าไปอย่างไรที่หลวงพ่อได้มาแนะนววิธีปฏิบัติให้พวกเราตั้งออตั้งใจทำนอนให้รู้จักนั่งก็ให้รู้จัก ยืนให้รู้จักเดนกินให้รู้จักเข้าห้องน้ําห้องส้วมให้มีความคิดติดตัวอยู่เสมอมันจะเปลี่ยนเองมันจะไปเองมันถึงที่แล้วมันจะเป็นเองมันที่สำคัญว่าปฐมมาสานก็จิตใจเปลี่ยนไปนอย่างนั้นทูติญสารจิตใจมันจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นตัิญสารจิตใจจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นจะตุทัสานมันจะเป็นอย่างนั้นปัญจมาสานมันจะเปลี่ยนรู้จริงๆเรื่องนี้ถ้าหากเมนูก็แสดงว่า เราไปจำเอากับตําลักตําลาแล้วมันก็เลยขัดหน้าโยบายกันเป็นอย่งังไงรู้จักจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องไปถามใครที่ไหนเลยจริงหรือว่าเมื่อเราเราจิแตแจเราเปลี่ยนต้องเมยาน ยานปัญญาหรือว่าเป็นปัญญายานรอย่างก็ได้ทุกคนต้องเป็นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วจะคิดเนี่ยว่าเด็กน้อยอายุเก้าปีไปถึงสิบสามปีเนี่ยเขาไม่มีอารมณ์อดีตอนาคตมากเขาบอกให้ทำเนี่ยเขาทำไปนะเขารู้อยู่เฉพาะปัจจุบันนี่เป็นอย่างนี้นเขารู้อย่างที่พวกเราเนี่ยมีอารมณ์อดีตบ้างมีอารมณ์อนาคตบ้างเพราะมันคนมีอายุมากนี่ มันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มากเด็กน้อยนี่ไม่ได้คิดอะไรไม่เกินสามสวันหลวงพ่อเคยสอนมาแล้วย้อพวกเรานี่พยายามทามาทำครั้งนี้ระยะสามสี่ห้าหกวันให้มันมีแรงงานให้มั่นคงเอาคุณภาพมันจริงๆถึงรู้น้อยก็ให้มันมั่นคงไม่ต้องวันไหว <c oughs> เห็นทำอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ต้องไปเห็นสีไม่ต้องไปเห็นแสงไม่ต้องไปเห็นผีไม่ต้องไปเห็นเทวดา เห็นเราทําอยู่นี่แหละกําลัง <version> ท <ladım> ํา okay. กําลังพูดกําลังคิดอยู่นี่แหละให้เห็นอันนี้จึงสมกับที่พระพุทเจ้าพูดกับพระวักกะลิกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราทีแรกหลวงพ่อเข้าใจว่าเห็นธรรมต้องเห็นพระพุทธเจ้าเข้าใจจางนั้นถ้าไม่เห็นธรรมก็ต้องไม่เห็นพระพุทธเจ้าเข้าใจอย่างนั้นแต่มาบัดนี้มาหลวงพ่อรู้จักเห็นธรรมก็คือเห็นตัวเหล่านี้เอง เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นตัวเราเนี่เองยกมือไหว้ตัวเราได้เพราะคนเราทุกคนมันมีดีอยู่ในตัวพอแล้วแต่เราลืมต pues ัวเท่านั้นเองจ่าทุกคนทําได้เรื่องนี้ถ้าหากไม่ทําจะให้คนอื่นทําแทนไม่ได้จ้าเห็นทำจึงเห็นตัวเราจําคํานี้ให้มันดีว่าผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราต้องเห็นตัวเราอย่าไปเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดไม่เห็นทำผู้นั้นไม่เห็นเราคือไม่เห็นเราเนี่เอง ไม่เห็นทำก็ไม่เห็นเรานี่เองไม่เห็นตัวเราทําไม่เห็นตัวเราพูดไม่เห็นตัวเราคิดแปลว่าเราไม่เห็นทำเมื่อเห็นทำก็เห็นตัวเราทําเห็นตัวเราพูดเห็นตัวเราคิดเรื่องเมียาณปัญญาทําให้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละเห็นธรรมแท้เป็นอย่างนั้นจังหวะทุกคนต้องเปลี่ยนได้เรื่องนี้ที่หลวงพ่อให้ข้อคิดเกี่ยวสั้นๆวันนี้ก็อยากเตือนกันเป็นบทแรกอยากให้ทุกคนพยายามฝึก หักกันจริงๆแล้วก็ไม่ต้องพูดต้องคุยกันระยะการนอนไม่เกินสองทุ่มสามทุ่มก็นอนนอนให้มากกลางคืนแต่กลางวันไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนแต่ก็ไม่ต้องคุยกันถ้าหากเราทําอย่างนี้หลวงพ่อเข้าใจว่าจะมีคุณภาพขึ้นมาจริงๆคนใดที่ยังไม่รู้รูกน้ำต้องพยายามให้รู้ลูกนามคนใดรู้รูปน้ำแล้วก็ต้องพยายามอย่าไปยึดรูปนา้ำจะเพียงเอาคมรูกศิษย์ดูดคิดให้มาก เดินจมกลมให้มากทําจังหวะให้มันเร็วขึ้นคนใดที่ยังเป็นคนใหม่ทำศซัทธ า, าเดินจมกลกับเดินศรัทธาแต่ว่านั่งสร้างจังหวะให้มากมันจะรู้ได้ดีกว่า <c oughs> เอาแหละที่หลวงพ่อได้มาแนะแนวันนี่ก่อนเห็นว่าสมควรเสียเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาจจะมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาจจะมาขออ้งอางเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขอ ง, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคนของพั น, านตาสาวกพระสมาสาับรเจ้ามาเตือนจิตจิตใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญลอยตามอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตาคตไปถึงแล่แห่งนั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาคตนี้อันนี้เป็นคำตัดเป็นคำเตือนเป็นคำกล่าว เป็นคำที่พระพุทธเจ้ารับรองผู้ไดทมอย่างนั้นที่อาตมาพูดนี่กถ้าทาอย่างนี้ก็รับรองได้รู้ได้เห็นได้เขาจะได้จริงๆขอให้ทุกคนจงได้ประสบพบเห็นอรยะเวลา ใ, ใกล้นี้จงทุกๆคนเธอ